สสมถะขันธกะหนึ่งสัมมุขาวินยัยว่าด้วยระงับอธิกรณ์ในที่พร้อมหน้าเรื่องพระฉับพัคคีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทัพอยู่ณพระเชตวัน อารามของอนาถบินิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแหลพวกภิกษุฉัพพักคีลงตัดชนียกรรมบ้างนิยสกรรมบ้างปัพพาชนียกรรมบ้างปฏิสา ร, ร, รานียกรรมบ้างอุกเขปณียกรรมบ้างแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มิได้อยู่ต่อหน้าบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษละ พากันตําหนิตประนามโพนทนาว่าชไหนพวกภิกษุฉับพัก ค, คีจึงได้ลงตัดชนียกรรมบ้างนิยสกรรมบ้างปับพาชนียกรรมบ้างปฏิสารณียกรรมบ้างอุเขปนียกรรมบ้างแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มิได้อยู่ต่อหน้าเล่าแล้วได้นำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ